Book 2 74เ4ิสขอร้องให้ทำอะไรบางอย่างคูปราชิตาคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับอาร์กาลิตแมนอับคริปติปลาคุส อย่าให้สั้นเกินไปนะครับพระเจ้ n เนื้อเกียรต r เปิดรุมไปสั้นอีกนิดนะครับพ r ะเจ u t ตรุกพุ i ธิรุ่มเปช่วยล้างรูปให้ได้ไหมครับ ga ร์ไก i ต์ติชดิชกินตั r ทุกข์รูปอยู่ในซีดีครับทุกข์อีร a k อมพักตินเม e รูปอยู่ในกล้องครับ n นว t r a ควิสิรโฟโตพ p a r a t e ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับอร์ไกลเตสเตซิตเลครูดีกระจกแตกดาวรีสติกลิน i สติกลัสซุดูเจสซ์ซุดูเแบตเตอรี่หมด b บตเต i รี t u ุ č เช ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมครับ g a l u r i t e d e g t u u arbejdet v y l คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมครับ a r t u r i t e p e l e n i a คุณสูบซิก้าไหมครับ a r ū k u t e cigarus คุณสูบบุหรี่ไหมครับ a r ū k u t e c i g a r e t t s คุณสูบป้ไปไหมครับอรุโกรตปีบแค่